กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุทหารเรือคลื่นครอบครัวข่าวสจรเอฟเอ็มร้อยพระเจ้าพระมหาไพบูุญอภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยในแต่ละวันก็มาพูดเรื่องราวธรรมะเหมือนเดิมเหมือนกันทุกวันแต่ในแต่ละวันนั้นจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปโดยในวันจันทร์เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติเป็นรูปแบบอย่างไร หรือว่าทั้งรูปแบบในการนั่งสมาธิบ้างรูปแบบอื่นๆบ้างในการนําไปใช้ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นจะเป็นการใช้เวลาในช่วงของวันจันทร์ส่วนช่วงของวันอนังคารและวันพุธอย่างนี้เราก็จะมาพูดเรื่องสิ่งที่เป็นประสุทธรที่เป็นสองภาษาแต่ส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์ก็จะเป็นการสนทนากับคุณสรนสนีนาคพงศ์โดยการนําเรื่องราวในเหตุการณ์ปัจจุบันบ้าง คำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาถามอาจจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางเว็บไซต์บ้างในช่วงของมันพฤหัสและวันศุกร์โดยในวันพูดอย่างนี้แล้วก็นําประสูตรที่เป็นสองภาษามาให้ท่านผู้ฟังฟังอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแต่จริงๆใครก็ตามที่เขาสอนธรรมะกันอยู่ในโลกนี้คนสอนจริงๆท่านผู้ฟังมีคนเดียวนั่นคือพ ร, รุทธาของเราพรุชาเป็นครูผู้สอนเป็นศาสดาคนเดียว แล้วก็เนินก็ประกาศตามคำสอนที่พระเจ้าสอนเอาไว้ตัวข้าพเจ้านั้นก็ไม่ได้มาทําหน้าที่สอนแต่เอาคําสอนของคนที่เขาสอนไว้แล้วของครูผู้สอนเนี่ยมาบอกต่อก็คือทําหน้าที่บอกต่อ น, นั่นเองเประในการทําหน้าที่ของข้าพเจ้านี้บางดีก็จะมาในรูปของการอธิบายด้วยข้อความที่เป็นในทางอัตถะนั่นคือหมายถึงในความหมายที่ความให้ฟังอธิบายให้ฟังแต่ปัจจุบันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ หราบางครั้งก็จะนําบทเพียนชนะนะที่เป็นบทเพียนชนะของพระเามาอธิบายให้ฟังซึ่งในช่วงของวันอังคารและวันพุธนี่แหละที่เราจะนําบทเพียนชนะเหล่านั้นนํามาอ่านในท่านผู้ฟังฟังในระบบสองภาษานะั่คือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้เราได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเมืองกายนั่นะคือเมืองใจนั่นแหละจิตตานคร น, นี่นแหละนะคือมีจิตเป็นเจ้าเมืองและมีกายเป็นเมืองเมืองที่เป็นเมืองกายนี่จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ได้พูดถึงเรื่องของศรัท ธ, ธาพูดถึงเรื่องของหิริโอตปาถึงเก่วยวกัความกลัวความละอายต่อบาปพูดถึงเรื่องของการที่ต้องมีการเรียนรู้ทรงสุตตสังสมสุตตะพูดถึงเรื่องของสติพูดถึงเรื่องของความเพียรและก็ปัญญาซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีในใจเพื่อให้กายของเราใจของเราได้รับการคุ้มครองป้องกันจากพวกศัตรูที่มันจะมาโจมตีเมืองประเภทนี้ต้องฟังเป็นเมืองที่มีความสําคัญ สับที่เขาใช้ตรงนี้ก็เรียกว่าปัจจันตะนาะครหรือว่าเป็นหัวเมืองชายแดนที่สําคัญแต่เปรียบเทียบถ้ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันนี้นือหัวเมืองชายแดนที่สําคัญ่เป็นหัวเมืองที่สําคัญละ่ะเช่นก็สระบุรีโคราชน่ยพวกนี้จะมีกองทหารอยู่เยอะหรือว่าในสมัยขออยุธยาอย่างเงี้นะเป็นเมืองหลวงหัวเมืองที่สําคัญก็จะเป็นพิษณุโลกเป็นต้นหรือว่าหัวเมืองที่ไกลออกไป แต่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่ไกลออกไปก็อย่างเช่นอุดรธานีเชียงใหม่แต่พวกนี้จะต้องมีกองทหารอยู่แต่กองกําลังประจำเอาไว้มีองค์ประกอบของเมืองชนิดที่ว่าพร้อมรบละแต่ถ้าการึกมันผ่านมาเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดนี้ก่อนเราจะต้องเตรียมการป้องกันนี่คือลักษณะที่พระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังแต่ว่าจะต้องมีกองกําลังอะไรบ้างมีอาวุธแบบไหนบ้างมีการเตรียมเมืองอย่างไร อ น, นี้คือส่วนที่ได้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนั่นคือส่วนที่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ในเป็นเรื่องของตูวอุปกรณ์ในเมืองใ น, นที่เปรียบเทียบกับคุณธรรมอย่างที่ได้ว่าไปเจอย่างแต่นอกจากนั้นยังจะต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยแต่เครื่องอุปโภคบริโภคนี้ก็เช่นว่าหญ้าไม้น้ำํำพวกสิ่งที่มันใช้แล้วมันจะหมดไปใ น, นพวกอาหารการกินยารักษาโรคด้วยตัวนี้ก็เปรเียบเส ม, มือนฌานทั้ง4ีฌานสมาธินั่นเอง ชาญสมาธิทั้ง4อย่างแต่ซึ่งตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีถ้าเมืองเราถูกปิดล้อมโดยค่าศึกเนี่ยโอถ้าไม่มีอาหารอยู่ในเมืองนี่ออกเข้าออกไม่ได้นี่ก็แย่เลยลไม่เกิน3วัน7วันก็จะต้องเปิดประตูเมืองยอมแพ้วก็เคยปรากฏมีในประวัติศาสตร์เหมือนกันเขาใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นในเมืองจึงต้องมีอาหารน้ําอยู่อย่างเพียงพอแต่ถ้าปิดล้อมอยู่ ฉันมีอาหารอยู่ฉันมีน้ำอยู่เป็นเดือนเป็นปีฉันก็ไม่ยอมแพ้อยู่ได้แต่ซึ่งตรงนี้ต้องการจะเปรียบเทียบกับกรณีองเช่นว่าถ้าเราอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจมีอกุโสธรรมอยู่เต็มไปหมดแต่ข่าวสารบ้านเมืองทํำไมเป็นอย่างนี้คนรอบข้างเป็นอย่างนี้อยู่ในที่ที่จะต้องเจอกับคนพาลแล้วเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นถ้าจิตใจเราไม่มีกําลังพอจะเลี้ยงจิตเอาไว้ได้เนี่ยจิตเราก็จะแตกได้เหมือนกัน แต่ข้าสิกเหมือนจะปลุกเข้ามาได้เหมือนกันเพราะนั้นจิตเราจึ ง, จงต้องมีกําลังมีพลังคือเจ้าสมาธิเหล่านี้อยู่ทรานพระเจ้าได้อธิบายในที่นี้เอาไว้แต่ข้าพเจ้านําอีกประสูตรหนึ่งมาสรุปรวบตอกกันเอาไว้แล้พูดถึงเรื่องของสมาธิแล้วก็พูดถึงเรื่องของรัชทูตเหมือนที่จะนข่าวสารตามที่เป็นจริงมาและตรัสไว้ในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าภิกษทุทั้งหลายก็อริยะสาวกเป็นผู้มีเบรกติได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเล่า and what are the four jhanas that constitute the higher my and are pleasant dwellings in this very life which he gains at will without trouble or difficulty คือเปรยียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มัง่งคั่งของประชาชามีหญ้าไม้และน้ำสังสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดแต่ น, นั้นก็เป็นผู้สั ง, งัดแล้วจากกรรมสังกัดจากอากุโสรถดทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความมิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมดายเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเชนเ้นเหมือนกันพิกุส just as many grass firewood and water Are stored up in the king's frontier fortress, for the delight, relief, and comfort of its inhabitants, and for warding off outsiders. So too, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, a noble disciple, enters and dwells in the first jhana, which consists. of r apture and pleasure born of seclusion accompanied by thought and examination for his own delight relief and comfort and for entering upon nibbana ปีศาจหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของประชามีข้าวสาลีและข้าวยะวะสะสมมา้เป็นอันมาก เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดตื น, นั้นก็เพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจารณ์จึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องปองสายแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตก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 Relief and comfort of its inhabitants, and for warding off outsiders. So too, with subsiding of thought and examination, a noble disciple enters and dwells in the second jhana, which has internal placidity and unification of mind, and consists of rapture and pleasure. Born from concentration without thought and examination, for his own delight, belief, and comfort, and for entering upon nibbana. วิสตุงลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มังคั่งขงองพระราชามีอัปรณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วราชมาเป็นต้นสะสมไม้เป็นอันมาก เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นภาสุในภายในเพื่อบ้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเท่านั้นก็เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติและสัมปชัญญะย่อมสวยสุขด้วยนามกายสนันี่พระเรียเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้ได้ทำนี้ว่าเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติ อยู่เป็นปกติสุขเข้าถึงฌานที่สามแล้วตั้งอยู่ในตำมันได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแหงตนเพื่อเข้าลงสุนิพานฉชนั้นเป็นกัน just as many food stuffs sesame green gram and beans are stored up in the king's frontier fortress For the delight, relief, and comfort of its inhabitants, and for warding off outsiders, so too, with the fading away, as well of rapture, a noble disciple dwells, equanimous, and mindful, and clearly comprehending. He experiences pleasure with the body. He enters and dwells. in the third c h a n a of which the noble ones declare he is equanimous my fool e, one who dwells happily for his own delight relief and comfort for the entering upon Nibbana วิสุทนายเปรียบเหมือนในหูเมอืองชายแดนที่มั่งขั่งของพระราชามีเพศสัตว์สะสมไม่เป็นหนันมากคือในใส ในก้นน้ำมันน้ำปึ้งน้ำอ้อยและเกลือเพื่อความยินดีไม่สะด u n กลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเทนั้นก็เพราะละสุขและละทุกเสียด้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัสและโทมนัตในการก่อนจึงเข้าถึงจตุทาชาน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 A noble disciple e n นเ r อร์ส d อ w e l l s in the fourth j ana, neither painful nor pleasant, which has purification of mindfulness by equanimity for his own delight relief and comfort and for entering upon nibbana เธผพุใดที่ประกอบด้วยชะธรรมเจประการเหล่านี้ และเป็นผู้ได้ตามรัรถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหล่านี้ด้วยในการใดในการนั้นเตอผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มารอันมีบาปก็จะทำอะไรอะไรไม่ได้ When p i c a l s e h o n o b l e disciple p o s s e s s These seven good qualities, and when he gains at will, without trouble, all difficulty, these four jhanas, that constitute the higher mind, and are pleasant dwellings, in this very life, he is then called a noble disciple, who cannot be assailed by Mara, who cannot be assailed. the e ียวกวันลิกษุตหลายคือเปรียบเหมือนหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินมีประตูหกประตูในประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นมีราชทูตคู่หนึ่ง มีราชการด่วนมาจากทางที่ตน อ, อกเขาถามนายประตูในที่นั้นว่าเจ้าเมืองนั้นอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่นะทางสามแปร่งกลางเมืองที่นั้นแหละราชทูตคู่นั้นได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาราชทูตอีกคู่หนึ่ง มีราชการด่วนมาจากต่างทิศใต้อีกคู่หนึ่งมาจากต่างทิศตวันตกราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากต่างทิศเหนือเขาเหล่านั้นถามนายประตูในทีศนั้นๆว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูเมืองก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสามแร่งกลางเมืองในที่นั้นแลราชทูตคู่นั้นๆนได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริง แกเจ้าเมืองแล้วก็เพิงดำเนินกลับไปตามทางที่มา Suppose Miko, a king's frontier fortress, with strong ramparts, walls, and arches, and with six gates, the gatekeeper posted there would be wise, competent, and intelligent, one who keeps out strangers and admits acquaintance. A swift pair of messengers would come from the east and ask the gatekeeper, "Where is the Lord of the city?" And the gatekeeper tell them that the Lord of the city is sitting in the central square. Then the swift pair of messengers would deliver a message of reality to the Lord of the city and leave. By the road, by which they have arrived. Similarly, a swift pair of messengers would come from the south, from the west, and from the north, and they ask the gatekeeper in that direction, "Where is the lord of this city?" The gatekeeper in that direction tell them that the lord of the city.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 ธาตุทั้งสีซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่นึงนิดก็ยังมีการแตกทำลายกระจกกายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา Because I have made up this simile in order to convey a meaning and this is the meaning the city This is the destination for the body, consisting of four great elements, originating from mother and father, built up out of boiled rice and gruel, subject to impermanence, to being worn and rubbed away, to breaking apart and dispersal. ก็คำว่าประตูหกประตูนั้นเป็นชื่อของอิยตนะ ภายในต้งห and the six gates this is the d e s t i n a t i o n for the six internal sense bases ก็คำว่านายทวารผู้รักษาประตูเป็นชื่อของสติ the gatekeeper this is the d e s t i n a t i o n for mindfulness ก็คำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนนั้นเป็นชื่อของสมถะ ละวิปัสนา The swift pair of messengers, this is the destination for serenity and insight. กคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณ The Lord of the city, this is destination for consciousness. ก็คำว่าทางสามแร่งกลางเมืองเป็นชื่อของธาตุทั้งสี่ กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลม and the central square this is a d e s t i n a t i o n for the four great elements the earth element the water element the heat element the air element ก็คำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงนั้นเป็นชื่อของนิพนาน And a message of reality. This is a d e s t i n a t i o n for nibbana. ก็คำว่าตามทางที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองแปดกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ the root by which they had arrived. This is the destination for the noble eightfold path. That is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. นั้นคือส่วนประกอบทั้งหมที่จะต้องมีในเมือง ซึ่งในส่วนแรกเราได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่ององค์ประกอบเจ็ดอย่างนั่นคือไล่มาตั้งแต่ศรัทธาฮิริโอตปาการทรงสุตตาสังสมสุตตาความเพียรการที่มีสติแล้วก็การที่มีปัญญาเจ็ดอย่างแต่วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของฌานทั้ง4แต่ถ้าใครก็ตามมีทำเจ็ดอย่างนั้นมีฌาน4ี่อย่างนี้นครบด้วนบริบูรณ์เลยเต็มฝั ง, งแข็งแรงมากและจิตมีกําลังมาก เป็นเมืองที่แข็งแรงมากมีทั้งยุธทธวปกรและทั้งทหารที่ฝึกไว้อย่างดีเห็นหและยังมีอาหารมีน้าในที่เข้มแข็งสิ่งที่สำคัญในส่วนที่สองของตอนนี้ก็คือว่าพระเจ้าไดเา้เปิดตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือราชทูตรแราชทูตนี้จะเป็นผู้ที่นาข่าวสารมาจากภายนอกนำข่าวสารมาทางไรก็มาทางผัสสะนำผัสสะ ม, มาทางผ่านมาทางไหนก็ผ่านมาทางประตูเมือง ในประตูเมืองเป็นช่องทางมีหกช่องทางด้วยกันใครคุมประตูเมืองอยู่ก็ต้องเป็นสติและสติคุมประตูเมืองอยู่แต่คอยที่จะให้ราชทูตผ่านเข้ามาแต่ราชทูตนี้ก็คือสมถะกับวิปัสสนาเวลาเข้ามาเขาก็จะมาตามทางทางนี้ก็คือมรรคแบบนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีผัสสะตั้ังมีผัสสะนั่นเป็นเวลาเป็นนาทนะีที่จะมีราชทูตผ่านมาได้ แต่ทางมาถูกหรือเปล่านี่ยนีคือประเด็นแต่ถ้าเราไม่ได้มีจิตใจอยู่ในมังแปดรัชทูตจะมาไม่ได้รัชทูตจะไม่มีทางที่จะมาได้ข่าวสารคือนิพพานนั้นจะมาไม่ถึงจิตใจของเราหรือบางทีถ้าสติไม่ฉลาดพอไม่เข้มแข็งพอไม่ไวพอไม่รู้จักว่านี่คือรัชทูตก็ไม่ได้ให้เขาเข้ามาปิดเงียบหรือไม่ก็ให้ฆ่าศัตรูเข้ามาเหมือนก็แตกไป ประเดนตรงี้เป็นอุปมาประไม้ที่สําคัญที่จะทําให้เรามีความเข้าใจว่าเราจะรักษาเมืองกาย ร, รักษาเมืองใจก็เราได้อย่างไรเลยที่สํำคัญจำบ้างแต่ถ้าเรารอให้ฆ่าศึกัตรูมาก่อนแล้วถึงค่อยมาสร้างกําแพงเมืองค่อยมาฝึกทหารค่อยมาสะสมสเสบียงอาวุธอะรต่างมันไม่ทันกินไม่ทันการและเมื่อเราแตกแน่นอนเราจะต้องคอยที่จะสะสมสเสบียงฝึกซ้อมทหาร สั่งสมอาวุธก็ตอนที่บ้านเมืองยังปกติปลอดภัยนี่แหละแต่ตอนที่ไม่มีศึกสงครามมีความสงบอยู่อังเช่นตอนที่เรายังไม่แก่ตอนที่เรายังไม่เจ็บตอนที่เรายังไม่ได้เจอภัสสะที่น่าพอใจเราอย่าประมาทเราต้องคอยฝึกจิตของเราให้มีกําลังนฝึกสติให้ตั้งขึ้นเอาไว้่ฝึกให้มีความเพียรฝึกให้มีศรัทธาฝึกให้มีสมาธิฝึกให้ทรงสุตตะสั่งสมสุตต ะ, ะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆ ฝึกซ้อมสิ่งเหล่านี้ไว้ก็เปื่อตีว่าถึงเวลาที่ข้าศึกมันมาเนี่ยเราจะป้องกันได้แน่นอนอย่างหนึ่งตง่ระวังฟันตรงให้เลยแข้าศึกศัตรูมาแน่นอนมานมาแน่นอนศัตรูมาบุกเมืองของเราอย่างแน่นอนนั่นคือตอนนี้เราจะมีเขเจอความแก่เจอความตายตมันจุมานก็จะมาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้มันบุกมาแน่ เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราอย่านิ่งนอนใจเราอย่าประมาทเลินเล่อเลิบเลินไปในความสุขความยินดีที่มากระทบแต่แต่คอยคอยที่จะฝึกซ้อมทหารสร้างองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ให้อยู่อย่างเต็มที่เราจะสามารถที่จะป้องกันใจป้องกันเมืองคือจิ ต, ตนครคือกายนครของเราไปได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไนโ และถ้าตนมีฟังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องราวพระสูตรเหล่านี้ในประเ ด, นด็นใดๆ่สามารถไปที่เว็บไซต์ได้ต้องการฟังย้อนหลังก็ไปที่นั่นได้ในที่เว็บไซต์ purethama.com p, com, p u r e d h a m com, e h a m a c o m p u r e d h a m m a c o m หรือว่าถ้าสะดวกทางจดหมายเป็นใบเสียบัตรก็ส่งมาที่เลขที่หนึ่งหมู่8ดตำบลดอนไฮโศก เบอร์นงานจังหวัดอุดรธานีเรียนปอน